พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจเข้ามาภายในให้ไดไ้นึกว่าเวลานี้เรามารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ก็เพื่อฝึกจิตรวงเดียวนี้แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใด แต่ก็ต้องฝึกกายด้วยถ้ากายวันไว้ไปมาอยู่จิตก็สงบไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้อย่าให้กายมันวันไว้ไปมาการที่ ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอนั่นแสดงว่าจิตใจมันไม่ตั้งมั่นลงมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าใจมันตั้งมั่นลงไปแล้วกายมันก็นิ่งเปงน็นอย่างนั้นความประสงค์เบื้องต้นแห่งการฝึกก็เพื่อให้มันนิ่งนี่แหละทั้งสองอย่าง ทั้งกายทั้งใจมันจิตใจนี่มันวนไว้มาอยู่เสมอและแต่ก่อนมานะ่ะมันลุกลี้ลุกลนมันคิดไปโน่นคิดมานี่ไอ้ที่มันคิดอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะมันยังไม่รู้จริงถ้ามันรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่คิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ทราบจะเอามาคิดทําไมคิดได้มันก็ไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารผู้รู้จริงทั้งหลายท่านจึงหยุดคิด ก็คิดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นทุกข์เปล่าๆ เ, เนี่ยในเบื้องต้นนี่เราต้องฝึกคิดฝึกฝึกให้จิตมันนิ่งซะก่อนให้กายมันนิ่งทำอย่างไรมันจะนิ่งได้เราก็เอาเลยอดทนนัน่นแหละตามันจะนิ่งได้นะ มันอยากเคลื่อนไหวไปมาไงก็ไม่ไปไม่ไปตามมันมีสติห้ามจิตไว้นะมัดระวังความง่วงบางคนนั่งภาวนาก็าไปกับมีแต่จะหลับไปยังเดียวไม่ได้ตั้งสติห้ามความง่วงความเหงาเลย นิสัยตนมีอย่างนั้นแล้วก็ไปตามนิสัยไปเลยไม่ดัดแปลงอันนี้ก็ไม่ดีมันเป็นเหตุให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะมละกิเลสให้บาบางออกไปจากกิจใจได้มัวแตน่นั่งง่วงนั่งหลับอยู่เฉย ดังนั้นเราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมออย่าให้มันเข้าสู่ความง่วงอย่าให้ความง่วงมันครอบงมได้กิเลสตัวนี้นะว่าสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนะี่ยอย่าไปเข้าใจเป็นของดีนะนั่งหลับอะ่ะเป็นอันตรายต่อสมาธิ เป็นอันตรายต่อปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้<ม>คนเรานั่นที่ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญานั่นเอง<ม>การที่ขาดปัญญาก็เพราะไม่ฝึกใจให้สงบ อย่าหนึ่งการที่ฝึกใจให้สงบไม่ได้ก็เพราะไม่สำรวมในศีล <c oughs> ควาะไม่สำรวมในศีลก็น่าว่าเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าเห็นทุกข์เห็นภัย ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเช่นนี้แล้วก็พึ่งพากันพยายามสํารวมในศีลให้ได้ <c oughs> อย่าไปอ้างนโน้นอ้างนี้ <c oughs> ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านะมันก็ควรจะทำได้ อะไรอะไรก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อนั่นแหละเมื่อความเชื่อมันอ่อนๆการทำความดีมันก็อ่อนไปตามกัน <c oughs> ถ้าความเชื่อมันแร ง, แรงกล้าการกระทำความดีใดๆมันก็เข้มแข็งไปตามกันดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นนะ่ะตั้งความเชื่อลงในใจในฐานทั้งซีคือความเชื่อเบื้องต้นนี้ก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยถ้าใครไม่เชื่อ พระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะไม่เชื่ออย่างอื่นต่อไปเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้จริงๆคือพระองค์ละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่ในพระไทย แม้แต่น้อยเดียวนี่เราจะต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวหรือว่าเราเชื่ออย่างหนึง่งอ่ะเชื่อว่าพระองค์นั้นอ่ะสร้างบารมีมาในสงสารนี่ก็เพื่อที่จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้หมด และจะทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในพระไทยของพระองค์จนเต็มบริบูรณ์เมื่อพระองค์สร้างบา ร, รมีมาสีอสงไขยปลายแสนมหากับเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์เจ้าจึงได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นใน ตระกูลกษัตริย์เมืองกบินลพัททรงพระนามว่าพระสิทธะราชกุมารเนีเ่ยธรรมดาคนผู้มีบุญมันก็มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างไม่เช่นั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีเกียรติ ผู้มีบุญทั้งหลายก็จะไม่เคารพนบ น, บนบ้องโดยถือว่าตนนั้นยังมีบุญมากกว่ามันเข้าใจไปอย่างนั้นถต่คนผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลายยอมรับรู้ว่าพราะองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายจริงๆเพราะว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยเนื้วโพค่าสมบัติใ้ก็ไม่อดไม่อยาก ลาบยศเสนเสรินในก็หลังไหลมาเมื่อเสด็จออกบวชแล้วถ้าเพียนพยายามไปก็ได้ตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจริงๆดังจะเห็นได้จากที่พระองค์สละราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชไปแล้วก็ ไม่ได้ไปเสวงหาอามิตรสุขใดๆเสวงหาตั้งแต่ทางจัดสรู้สัมมาสัมธธิยานเท่านั้นทีแรกพระ อ, องค์ก็บินทบาทมาฉันตามปกติธรรมดาเที่ยวหาอยู่ในศูนย์ยาคาราเรือนว่างสมัยนั้นยังไม่มีคนนับถือเท่าไหร่เที่ยวหาอยู่ตามถ้ำ ตามลูกขุมูลไปอย่างนั้นแหละมรคน้อยสันโดษตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งมีปัญจวัคคีย์หรือสีทั้งห้าเป็นผู้ติดตามไ ป, ปอุปธรรมประถาขั้นเมื่อก็องค์พยายามบำเพ็ญไป ทางอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ดังนั้นจึงมาคิดอดนอนผ่อนอาหารไปอดนอนผ่อนอาหารไปเรื่อยๆจนร่างกายนิสูพร้อมลงไปโดยลำดับในที่สุดก็อด ไม่ฉันเสียเลยร่างกายนี้มันเป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็สู้ผอมลงไปหมดมีตะหนงังติดกระดูกนุ่นถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณผลสุดท้ายก็กั้นลมหายใจเข้าออก โดยเข้าใจว่ามันเป็นกับลมนี่มั้งมันถึงไม่ได้ตัดสรู้อา้าวกั้นลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ตัดสรู้เป็นอันว่าความเพียรของมหาบุรุษในโลกเนี้ยไม่มีใครจ ะ, จะเท่าเทียมกับพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีเพราะว่าความเพียร เกี่ยวกับการกั้นลมหายใจเข้าออกนี่มันใกล้ต่อความตายจริงๆแต่พระองค์ก็ไม่กลัวตายแต่เมื่อกั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วเห็นว่าไม่ได้ไม่เป็นทางตรัสรู้แล้วก็ถอยอพระองค์ไม่งมงายจนถึงกับว่าให้ตัวตายไปเสียเพราะเฝ้า เมื่อทดลองดูวิธีใดมันไม่ได้ผลแล้วพวกองค์ก็ถอยก็หาวิธีใหม่ธรรมดาผู้ฉลาดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละผลสุดท้ายก็ทรงพระดำริว่าความเพียรภาคเพียพรพยายามของเรานี่ก็ น, นับว่าถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ก็ยังไม่ได้ตัดสู้ทางไหนหนอจะเป็นทางตัดสู้นี่พระองค์ก็ทรงรำพึงถึงพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่เนกชาติว่าเราสร้างบุญบารมีมานี่ก็มุ่งหวังว่าเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณทะนไหนหนอบุญบารมีจึงมา จึงไม่มาแนะหนทางแต่สรู้ให้เราบ้างพอทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็สงบนิ่งอยู่ในขณะนั้นก็เกิดนิมิตขึ้นมาปรากฏว่ามีผู้มาดีดพินถวายให้ฟังพอดีดสายที่แรกนี่มันยานเกินไปเสียงก็ไม่ดังไพเราะ ทีนี้ก็เอาสายอื่นมาดีดเข้าสายที่สองนี่มันเคร่งเกินไปพอดีดเข้าไปทีเดียวเท่านั้นสายขาดไปเลยเอา้าวต่อไปก็เป็นสายที่สามอามาดดีดสายนี่มันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หยนยานเกินไปพอดีดเข้าก็มีเสียงดังไพเราะเพราะพิ้ง พระองค์เห็นนิมิตทั้งสามประการนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาดูก็รู้ได้ว่าสายพินที่แรกนั้นมันคล้ายกับคล้ายๆกับว่าพระองค์บำเพ็ญทุกขระกิริยานี่แหละถ้าไม่หยุดแล้วก็มีหวังตายเหมือนกับสายพินที่มันเคร่งเกินไปนั้น พอดีดเข้าทีเดียวก็ขาดเลยเมื่อนี้สายพินสายที่สองนั้นเทียบได้กับนักบวชบางพวกบางเราปฏิบัติย้อหย่อนปฏิบัติเพื่อการมคุณพรากตนจากการมคุณตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจยัง ใฝ่ฝันในกามคุณอยู่ยังชื่นชมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆอยู่เช่นนี้นี่บุคคลจะทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนเท่าไรก็ตามแต่ถ้าใจยังผูกพันอยู่ในกามคุณนั้นก็ไม่มีทางที่จะตัดสู้ได้เหมือนอย่างพินสายที่สองนี่แหละ เมื่อเมื่อสายพินมัญญาเนี่ยนั่นเน่ะดีดอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ดังไพเราะคนก็ไม่ปาถนาที่จะฟัง <c oughs> ก็ฉะนั้นแหละมันี้พินสายที่สามนั่นสายมันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไป <c oughs> พอดีเข้าเสียงก็ดังไพเราะอันนี้เทียบได้กับบุคคลผู้ต้องการบรรลุถึงอริยสัจธรรมได้นั่นก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนนี้ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือให้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่ให้หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่ให้เคร่งเกินไปให้พอดีพอดีเนี่ยการรักษาศีลการสัมวลกายวาจาไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทพุทธวันญต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเคร่งเกินไปเป็นเรื่องพอดีพอดี เพราะว่าพุทธบัญญัติต่งางๆเหล่านั้นทรงบัญญัติห้ามความประพฤติของคนเราเนี่ยให้สม่ำเสมอไปอย่าให้มันตรึงเกินไปถ้ามันตรึงเกินไปแล้วมันกบ ทำให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ถ้ามันตรึงเกินไปนะ่ะมันมันเป็นเหตุให้ร่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมายความว่าอย่างนั้น <c oughs> ความประพฤติหย่อนยานอันนี้หมายความว่า เป็นผู้ไม่เอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วที่ตนได้ตั้งใจมาแต่เบื้องต้นคนเราทำความดีบางคนนะพอเริ่มทำทีแรกคำมักคำเม่นจริงๆเช่นให้ทานก็คำเมฆคมักคำเม่นทำทานจริงๆขั้นต่อไปเกิด เหนือหน่อยน่ายเกียดคร้านขึ้นมาไม่อยากทำรักษาศีลก็เหมือนกันทีแรกได้ฟังทำเห็นอา น, นิสงส์ศีลเข้าไปเกิดปีติสมทานมั่นในศีลสำรวมดีส ำ, สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยดีขั้นต่อไป เกิดเบื่อหนายต่อการสำรวมระวังอย่างนั้นเสียแล้วก็ชักจะเพลิดเพลินมัวเมาไปไม่ค่อยระวังกายวาจาหมายความว่าในที่สุดก็ร่วงสินนั่นแหละ <c oughs> บางคนแต่ก่อนก็เคยฝึกขัดไว้พระฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยได้ขาด ขั้นต่อมาเกิดเบื่อหน่ายในการไหวพระภาวนาฟังธรรมขึ้นมาแล้วเชนีจิตใจมันก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นเองบุคคลผู้นั้นน่ะไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เลยจะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ในโลกนี่ หรือว่าโลกอื่นซึ่งเป็นโลกที่ทรมานบุคคลผู้กระทำความชั่วผู้ไม่มีความดีติดตัวกรมชั่วมันก็ฉุดคล่าไปสู่สถานที่ทุกทนทรมานที่ท่านเรียกว่านรกนี่การประพฤติย่อนยานในข้อวัตปฏิบัติที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุพทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปทำบาปเท่านั้นแหละคนเรานะมันจะมีอะไรอ่ะเพราะว่าคำสอนของพูะพุทธเจ้านี่ส่วนใดที่เป็นบาป พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติถ้มไว้แล้วส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทรงแนะนําพิ่มสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ลงมือประพฤติธปฏิบัติตามโวยความไม่ประมาทแล้วก็ทรงแนะนําสั่งสอนให้ควบคุมจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดี ตามปกติจิตนี้ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันจะต้องโอนเอียงไปทางกิเลสตัณหาบาปประธรมนั้นแหละทางมันจะน้อมไปสู่ทางบุญทางบุญสนี่มีน้อยเต็มทีตรงนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าใจนี้เมื่อปราศจากการควบคุมแล้วมันอ่อนแอมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละ กิเลสตัณหามันก็มีอำนาจสามารถฉุดคร่าดวงกิจนี้ไปตามประสงค์ของมันได้ความความประสงค์ของกิเลสมันจะมีอะไรล่ะก็มีแต่จูงใจของคนผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันไปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นแหละ ก็เมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเป็นโทษนั่นเองเนี่ยนี่นน อ, นอนุภาพของกิเลสนี่นะมันเป็นยังไงกรงกันข้ามกับอนุภาพของศีลธรรมเมื่อผู้ใดบำเพ็ญศีลธรรมนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วศีลธรรมนี้มีอนุภาพจูงใจให้ เกิดฉันทะความพอใจในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่ให้เบื่อหน่ายต่อบุญต่อกุศลนี่อนุภาพแห่งบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นประพฤติกายวาจาใจของตน ให้ตรงตามคำสอนของพระองค์นี่แล้วรับรองว่าจะต้องพ้นทุกไปโดยลำดับแน่นอนรับรองว่าจะต้องละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้จริง <c oughs> นับว่าเป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าการให้การบริจาคทานมันก็เป็นเครื่องขจัดความโรคความตณี ออกจากจิตใจของผู้ให้อยู่แล้วเห็นได้ชัดๆเลยอถ้าผู้นั้นยังตณีห่วงเห็นทรัพย์สมบัติอย่างแรงกล้าอยู่เนี่ยจะให้ทานไม่ได้เลยผู้ให้ทานได้แสดงว่ามันเอาชนะความโรคความตะนี่ในหัวใจได้ก็จึงให้ทานได้ผู้เอาชนะความโกรธความเมตยบาบัติ ในหัวใจนี้ได้ก็จึงรักษาศีลได้ผู้ใดถ้ายังรู้อำนาจแก่ความโกรธความเบียาบาทอยู่แล้วรักษาศีลในบริสุทธิ์ไปไม่ได้พอเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ไปเบียเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เมื่อมันระ ง, งับความโกรธไม่ได้เบียน เมื่อผู้ใดระงับความโกรธได้บรนเทาความโกรธได้ด้วยการเจริญเมตตาเสมอเสมอผู้นั้นก็รักษาศีลได้ก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดื อ, รอดร้อนผู้ใดเป็นผู้ภาวนาก็สามารถขจัดความหลงได้ ความหลงนี่หมายถึงความไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยความไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่เป็นอย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นเหตุให้ทำทั้งสองอย่างบาปก็ทำบุญก็ทำไม่รู้แต่มันมีคนจูงแบบนี้นะ ผู้ใดได้ไปคบคนชั่วเขาก็จูงไปทำบาปกับเป็นคนทุศีนไปผู้ใดมีโชคดีได้ไปคบกับนักประหลาด บ, บัณฑิตนักประหลาดท่านก็ชักจูงไปทำคุณงามความดีเมื่อตอนไม่รู้ไม่ฉลาดเพื่อนแนะนำอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นได้ เนี่ยบุคคลผู้หลงแล้วพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ต้องคอยพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่ทีนี้เมื่อผู้อื่นไม่มีโอกาสจะให้พึ่งได้แล้วก็คนนั้นก็เป็นคนหลงคนเมาทำความชั่วไปตามธรรมดา น, นั่นแหละนี่นะคำว่าความหลงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของผู้ใหญ่เจ้าบ่อย มันก็มองเห็นรูทางที่จะทำความดีได้ก็ลงมือทำความดีเข้าไปความหลงมันก็บวบางออกไปด้วยความรู้กับความหลงเนี่ยเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนี่แหละแต่คว่มลงก็เป็นหลังมือถ้าหงายขึ้นก็เป็นฝ่ามือ <c oughs> ถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้า แล้วได้นั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปใจเบิกบานผ่องใสแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ความหลงต่างๆมันก็ระงับไปก็มองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน เช่นนี้แหละอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขจัดกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจแล้วจะได้พ้นทุกข์ภายในสงสารเพราะฉะนั้นแหละไม่ควรประมาทพลาดพัง เราได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้วได้อวัยวะร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นบว่าสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามะข้นทรรอาวิเศษได้จริงจริงดังแสดงมา